บุกทูเจ็ดสิบแปดคำคุณศัพท์หนึ่งผู้หญิงชาราหนึ่งค น, น, นผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งค น, ค น, น, นรถใหม่หนึ่งคั น, นรถความเร็วสูงหนึ่งคันรถนั่งสบายหนึ่งคัน ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดสีนียัสุเนกนชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดชีรว์วูนยาสุะชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดเจเลนยาสุนกนกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบชอร์นายาสุมค ก, กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบเบียร์าซุมกคนใจดีหล <we olds in the brain> ายคนประเยมเนียลุดิคนสุภาพหลายคนเวียตลิวยาลุดิคนน่าสนใจหลายคน ц і к а в ы า люди เด็กน่ารักมิ е เลียเด็กดื้อน่าฮั่บเนียเด็กดีดอบร ы ยา е т и